แจงอยูนี่มันไม่ใช่ฝนจะตกหรื อ, รอเอาแดดกันกูมนั่นมันตกก็ต้องขึ้นอากาศฝนไม่ตกก็ต้องขึ้นแน่เห็นแสดงมากขึ้นวันนี้มีนิเวศบอุลนอาการเมฆ น, นี่ตึงเลยครัเห็นมันลูกก่านเล่าด้วยจะตกต้องราาูนลงนาอย่างหน่อยหนึ่งวันวัี่สอง สภาากาศมันบอกเป็น hmm. มันบอกว่าอย่างกรมวิต hmm. ูเขาจะบอกมาลงหนาลงบอกอัน <Next> น <time nelle> ี <hari> ้น <tune person signing> ้องกรมวิทูเดนี่มันบอกว่าอย่างนีน้อมีคลื่นว่านจะน่อยู่กัไหดกมันดิมันกระตุกมีพัดอะไรเนี่ยตัวนี้สามสิบเจ็ด เน่นสองเน้นสามสามสิบขไรเน้นสี่องพระสามสิบขไรพระสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดครับเน้นสามก็เป็นคือคิดเรื่ยเนึงเน้นสี่มันน้อยอีกเรื่องวมวันมาองเข้าใจไหมังจากว่ากุญแจอินเน้นน้นที่เป็นโลกพ่อคำกอง นันเป็นอะไรเป็นหลวงพ่อกกองก็ท่าเองอ๋อเมาพักจองทางวันขับมินทไปกะถินแล้วยังดูไปทุกข์ทุกข์โสมยุ่งไนกมเหมือนชนกเดินข้าเดินผิดเสียงลั่นเราอยู่กุติมันหูเรากับปากพระที่พูดอย่างนี้มันห่างใกลกัน ยิ่งกว่าปากพระกับโผพระจนมันติดกันอยู่นะไม่ยืนอยู่นู่นเสียงสนลำคาญตะว่าขนาดพี่นีุ่ณเพื่อนยังเชื่อตะว่าเสียงว่าว่าว่าพูดอะไรไม่มีจติดน่าประดิษฐ์ก็ติดต้องติดตัวติดตัวติดตัวสอนมาจนแหลกหมดแล้ว ภูวอยการพาดนินมาเราก็ดังเนินมาจะถึงสินใจเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นหนังอันเดียวกันกับการรวมด้วนความสงบส ง, สงัด้วยความมีทัศติทุตังธรมาตวังที่มาเห็นในหมู่เ่อนไม่รู้ี่นเคยกับภูวาจามาทานตั้งสมัยท่าน ย่อนยานมากแล้วนะพ่อแม่หูยา น, นขนาดนั่ง น, นั่งเตี้ยเตี้ยอยู่ความเข่งตามสายตาความรู้สึกของเราท่านท่านย่อนยานมากนป่าในเขาถึงเด็กค น, นนั้นไ่ออกมาฟูงมูขนะมันเป็นอลมธรรมกเข้าไปมากเข้าไปหรื่อๆยๆเปเจอ อาจะทำหัวหมวกตาบอดไปบ้างอะไรนี่ถึงขนาดนั้ว่าสายตาเราความสูงเราเนี่มาท่านเครื่อนเเกีย้ยๆเลยเนี่ยอย่างคนอื่นก็าว่าเห็นว่าเราก็ว่าเครื่อนนะแต่เราก็เป็นหัวหน้าดูมันจะตายมันหย่อนมันดามจะพันแข้งพันขาถ้าเป็นเชื่อกไปจะกล้าไม่ออกมันภูมิใจเลย เรอดอาหารปรัใจัยมันเอเกื่อนเดี๋ยว่รู อ, อ, รอาจารย์ด้วยเป็นความสมัครใจด้วยกันทุ่มทุนน้ำอดๆแต่อยากอากาศแข็งแกร่งอะไรแต่พูด ถ, ถึงปัจจัยดีไม่ดีเกิดน่าเกิดความกระุกสังเวชทำแบบสายตาโลกนะแต่ทนํนั่พรภาพภูมิใจเพราะทาไม่จเจริญในสถานที่เยอเกลื่อด้วยปัจจัยดีแต่จะเดินด้วย ควาโอโหยาหาอัดแก่ความทุกข์ความท ร, รมานด้วยความสมัครใจฝึกฝนตัวเองต่างกันอย่างไ น, นผมพูดก็จนย่ำแล้วย่ำแล้วเรื่องความฉลาดแล้มคมละเอียดลอของดีทำก้าวแล้วออกทำก้าวแล้วออกเรื่องไม่ถึงเพราะมันมีแต่วนลายของเดียวในตัวใน กติยาของใจการแสดออกมันนั่นรู้เพราะสิงเราคือสติถูกเราเก็บคอยลิ้มชักมดสติปัญญาที่ว่าสติปัญญาสติปัญญาเครื่องสังารกิเลสถูกกิเลสมัน เ, เก็บคอยลิ้มชักทั้งหมดไม่มีเหลือแล้กิเลสจะมาออก เป็นหนังเ ล, นล่นละครอะไรชอบอะไรยกโคด ย, ยกแค้มนมาเหยียบหมดขี่รถหวัวเราก็จะไป็รู้ได้ไหว่าเป็นกิเลสเมื่อสติปัญญาถูกเก็บในลิ้นชาบแล้วนี่นมันเป็นอย่างนี้เหมืนไม่รู้จะทําไรต่อเมื่อสติปัญญาก้าออกนั่นอดีมันเคยพูดนี้นี่พอดีมันอยู่ไหนเห็นหมดตามต้อนตามผ่าแหลบแหลบแหลบ ก, ก็ถึงจะ ่านสติปัญญาเปลี่ยนกันเป็นอัตโนมัติอิดทั้งดวงเป็นโรงงานผิดธรรมแทนวิริยะผิดตัวเองขึ้นมาสิเมื่อแล้วเอาละทีไม่เคยรู้ปเห็นมันกกลัวประเห็ น, นอืมมันหกบมันซ่อนมันออกฉากไหนต่อฉากไหนช่องไหนทางในรู้หมดรู้หมดตามต้นตามข้าตามฝันแหลกด้วยสติปัญญาเปียงกัย ความที่เหตุสติปัญญาสติปัญญาอะไรจะแหลมคมนี่ขสติปัญญาแม้ี่เห็นว่ามันละเอียดแหลมคมในตอนที่เรายัางไม่มีสติปัญญาแต่มันจะไม่แหลมคมเมื่อสติปัญญาเพียงไสแล้วเพราะนั้นมันถึงเหนือกันได้ฆ่ากันได้เธอละเธหนอ่อคุณละคุณหน่อ พูนหนักก็พูดพูดเบาก็พู ด, พ, ดพูดทุกสิ่งทุกอยาก่างเพื่อเห็นตัวเห็นภัยของสิ่งที่เป็นภัยต่อสิทธิท์มันก็ยังไม่เห็นเสมอนี่หรอยิ่งแก่ลงทุวันทุกวั น, วนอ้อนทุกวันอยู่รำพานจากของเงินก็จะห้องต้องกลมกลาดอยู่แล้วนี่เป็นเกี่ยวความกับแก่กับคนทั่วแผ่นดินและเกี่ยวกับพระารัาน น, น, นึงเจ้ากําลังมาจากไหนมาสอนหมู่สามเพื่อพอจะให้จำจำกับต่างเป็นที่เข้าใจตลอดเวลา ก็ตกกันอยู่เลยมันจะมาเป็นรายได้อย่างนั้นเพราะกาลังทางฐานนั้นไม่อยนไหนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนแบบทนอยูน่นีน่เองทำมาแสนทนมาห น, นักาการก้าเข้าปากเข้าโลกเนี่ยผมไปง่ายไม่ใช่ถึงคุยนะเพราะไม่เนี่ยผมไม่คุ้กับอะไรเพราะที่จะปะติดอันนั้นติดอันนี้ไม่ได้คุยเป็ตามความคิทําความรู้สึกอะนอย่างนี้นะอยู่กับหมู่กับเพื่อน ก, นก็เหมือนอยู่คนเดียว ผิดนันไปยุ่งอะไรแลร้วผิดชอบขายกัน น, นั่นอ๋อพออยนั้นมันมันก็ยิ่งเบาอยู่เลยจีแต่ต้องหยุดรงยานะกยุ่งแ้ลงได้กล้าไปแล้วยาเนียเด็ตามไปเมันมีทั้งหลายต้มีกันนั่นตัดเต็มโรกเต็มแระดิเขามีหมอมีพยาบาลมีหยุดมียาที่ไหนเขายัางมีศูนย์พัน ทำใหเราเป็นคนทั้งคนท่าทั้งองค์จะกลัวตายนั้งนานเกิดสัวตวารเป็ของคู่กันกัวกันไปไหนเนี่ยจะแยกกันไปยังไงสิ่งที่แยกไม่ออกจะไปฝืนแยกทําไมเนี่ยมันอยู่นั่นมันก็อยู่มันอยู่ไม่ท่ามันจะไปก็ไปอีกก็ท่านั้นเองนอี่ทนอยู่นทนอยู่ต้องทนอ่าใช่